นามิศิรสาณิจังปุเรตวะอาคตวรังโมคังนาโทภิชันโตดวายังหิตวาสระทกังโมทังวเนสุดดการังนามิศิรสาทารัง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสทัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญว่าบารมีสาสิบทัศน์นับพบนับชาติไม่ถ้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเป็นนิจขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความครบเอื้อเฟื้อ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เรามาในงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวไอราดาเจริญชัยแล้วก็นายหรือคุณจอยเนี่ยนะนายสรันโพธิแพท วันนี้ก็มีทั้งญาติมิตรนะทั้งแม่พ่อแม่แล้วก็ญาติมิตรปู่ตายายายทั้งหลายมาร่วมงานเขาเรียกว่างานมงคลนะมงคลสมรสนะจะเรียกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ <c ười> คือจัดให้มีการฟังธรรมกันก่อนเนะี่ย ก็เป็นเรื่องที่แปลแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าน่ายินดีด้วยทีนี้ในวันนี้ในช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลากันไม่มากในในเวลาเนี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดหน่อยก็อยากจะปรารภให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นได้เห็นคุณค่านะโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของงานแต่งงานเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเออจุดหมายในยจุดมุ่งหมายของการที่จะแต่งงานเนี่ยเขามีจุดหมายเพื่ออะไรหลายหลายคนก็จะมีความคิดว่าเออการที่เรามาแต่งงานหรือจัดงานมงคลสมรสกันขึ้นมาหรืองานแต่งงานเนี่ยโดยมากเราจะมีจุดมุ่งหมายตามความรู้สึกของแต่และบุคคลที่ตั้งไว้ในหลักการในทางคาสอนของพระพุทธเจ้า หลักการแต่งงานเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมจุดหมายแรกเลยเนี่ยหนึ่งก็คือต้องการอยากจะสร้างทายาทที่ดีไว้สืบวงตระกูลอันนี้เป็นจุดหมายหลักเลยนะที่เขาแต่งงานกันเนี่ยเขามีจุดหมายเนี่ยจุดหมายหลักเลยก็คือต้องการอยากจะได้ทายาทหรือผลิตทายาทที่ดีเป็นทายาทที่ดีเป็นทายาท ท, ายาที่เปรตเนี่ยเพื่อให้มาสืบทอดวงตระกูลของตนเองนั้นเป็นจุดหมายหลัก ส่วนจุดหมายลองเนี่ยลงมาก็คือปรารถนาอยากจะได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้หลักการที่พระเจ้ทาทรงวางหลักเขาไว้ว่าธรรมมของผู้คลองเรือนยองเคยได้ยินไหมคำว่าธรรมมาของผู้คลองเรือนเนี่ยก็คือบุคคลที่ต้องการที่อยากจะสร้างครอบครัวพระองค์ก็วางหลัก หลักการในการที่บอกว่าธรรมะของผู้คลองเรือนก็ไว้ในรายละเอียดในธรรมะของผู้คลองเรือนเนี่ยการคลองเรือนการแต่งงานเนี่ยวิถีชีวิตของการแต่งงานเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่สองคนเนี่ยที่มาเกิดความรักเกิดความยินดีพอใจกันขึ้นมาแล้วก็มีการมาสู่วันนี้ได้เนี่ยการที่จะจัดงานเขาเรียกมงคลสมรสตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ย การแต่งงานเนี่ยเป็นสมมุติอย่างหนึ่งนะแต่เป็นสมมุติที่มีเป็นการสมมุติที่จริงจังนะไม่ใช่สมมุติแบบเล่นเล่นและให้สังเกตดูว่าการสมมุติทั้งหลายเ่าเนี่ยเราก็เชิญแขกเหลือมาเพื่อให้มาเป็นสักขีพยานว่าเอาละนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนับตั้งแต่บ่าวสาวหรือว่า เอามาจะเรียกว่ายอมไอเนี่ยนะยมจอยเนี่ยเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยว่าให้ทุกคนมาเป็นสักขีพยานมายืนยันกันเนี่ยว่าเออนี่นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝ่า ย, ายชายมาทําหน้าที่ของคามเป็นสามีฝ่ายหญิงมาทําหน้าที่เป็นภรรยาให้ทุกคนได้รับรู้ทีนี้กรณีแห่งการที่ทุกคนมารับรู้มาเป็นสักขีพยานเนี่ย เพื่อจะได้มารับทราบกติกาและข้อตกลงร่วมกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านผู้นี้จะทำหน้าที่ข้างความเป็นสามีและท่านผู้นี้จะทำหน้าที่ขงความเป็นภรรยาทีนี้หลักการในการที่จะทำหน้าที่สามีและภรรยานี่พระเจ้าก็วางหลักที่ว่าธรรมะของผู้ครองเรือนก็ไว้มีสี่ข้อนะย้ำเตือนนะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่แต่งงานไปแล้วด้วย คนที่แต่งงานไปเดียะแล้วก็อย่าไปคิดว่าเออเราแต่งงานไปแล้วสบายแล้วไม่ต้องปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติและยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่คิดจะแต่งด้วยใช่ไหมมันจะมีอยู่หนึ่งแต่งงานแล้วสองคิดจะแต่งสามนี่กําลังจะแต่งใช่ไหมถ้างานเนี้ยมีอยู่สามกลุ่ม ทนี้กลุ่มที่ไม่แต่งจะมาฟังได้ไหมกลุ่มที่ไม่แต่งนะแต่อยากจะมาเรียนรู้เพื่อที่พุกอาจจะได้แต่งเออได้ น, นี่ไม่ได้ห้ามนะอย่างเงี้ยนะไม่ได้ห้ามหรือบางคนคิดว่าเอาละชาติเนี้ยยังไงยังไงท่านก็ไม่แต่งเด็กขาดมีไหมกลุ่มนี้มีไหม ก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าธรรมะนี่ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้คองเรือนเท่าน okay. ั้นเพราะธรรมะเนี่ยยังเหมาะแก่บุคคลทั่วไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะของความเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นบางคนยังอยู่ในฐานะเป็นพ่อและแม่ที่พึงปฏิบัติต่อลูกด้วยเป็นลูกที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยเป็นเพื่อนที่ปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยเป็นสามีปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาปฏิบัติต่อสามี เป็นหัวหน้าปฏิบัติกับลูกน้องลูกน้องปฏิบัติต่อหัวหน้าด้วยก็จะต้องใช้หลักธรรมะเหล่านี้แหละเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทีนี้หลักการอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดเวลาคนเราแต่งงานกันเนี่ยนะโดยมากเนี่ยเราจะคิดว่าที่เราต้องแต่งงานกับคนนี้เพราะคิดว่าคนที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยเขาจะมาเติมเต็มความสุขให้กับเราใครเคยคิดแบบนี้หม คิดว่าฉันจะแต่งงานกับคนคนนี้คนคนนี้เขาจะให้ความสุขแก่ฉันฉันถึงแต่งเขาจะให้สุขเวทนาแก่ฉันถ้าเขาคิดว่าคนคนนี้เขาจะให้ทุกขแก่ฉันเนี่ยฉันจะไม่แต่งเด็ดขาดใช่ไหมก็เลยตั้งหลักว่าเอาละฉันจะแต่งกับคนคนนี้เขาจะให้ความสุขกับฉันเหมือนคนบางคนเนี่ยที่ฉันบอกว่าที่ฉันจะมีบ้านเพราะบ้านจะให้ความสุขฉันฉันจะมีรถเพราะรถจะให้ความสุขฉัน ฉันจะมีคนใช้คนใช้จะได้ความสุขฉันฉันจะมีสามีสามีก็ต้องให้ความสุขฉันฉันจะมีภรรยาภรรยาก็ต้องให้ความสุขฉันฉันจะมีพ่อและแม่พ่อแม่ก็ต้องให้ความสุขฉันฉันจะมีลูกลูกก็ต้องให้ความสุขฉันอันนี้เป็นความหวังและเป็นมีแรงจูงใจต้องการให้คนที่เราไปเกี่ยวข้องและอยู่ด้วยน่ะเขาตอบสนองความสุขของตัวเราเองพอจิตที่คิดจะเอาตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยมันเริ่มทุกแล้วนะ มันเริ่มสร้างความหวังสร้างแรงจูงใจบอกว่าคนคนนี้ต้องเติมเต็มและให้ความสุขฉันฉันถึงต้องไปอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นการตั้งความรู้สึกอย่างนี้มีโดยคนทั่วไปร้อยละเกสบเาเป็นแบบเนี้แต่ด้วยหลักการที่แท้จริงคืออย่างไรที่เราควรจะตั้งหลักให้ถูกก่อนการที่เราจะตั้งหลักให้ถูกก็ต้องตั้งหลักยังไงว่าถ้าเราเนี่ยอยู่เราแต่งงาน เหมือนกับยอมจอยกับยอมไอเนี่ยถ้ายอมจอยคิดว่าเออที่ฉันแต่งงานกับยอมไอเนี่ยยอมไอจะต้องให้สุขกับฉันหรือบางทีนะบางทีเอาคนที่เกี่ยวข้องเป็นจุดยกตัวอย่างเช่นว่าฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเธอบางคนตั้งหลักนี้นะเนี่ยทุกอย่างที่ฉันทําฉันทุ่มเทนะก็เพื่อเธอนะ เพื่อให้เธอพอไปคิดอย่างนี้เหมือนก็นมีลูกแล้วก็บอกว่าฉันจะทําทุกอย่างเพื่อลูกจะทําทุกอย่างพือ่อพ่อทําทุกอย่างพื่อแม่จริงๆมันถูกไหมมันถูกนะแต่มันไม่ตรงถูกแต่มันไม่ตรงถ้าให้ตรงคืออะไรถ้าเราเอาภรรยาเป็นจุดหมายหลักเอาเป็นเป้าหมายภรรยาก็เาสามีเป็นเป้าหมายเอาเป็นหลักถ้าอย่างเนี้ เขาถือว่าเอาบุคคลมันอาจจะฟังยากนิดนึงในยอมเนียแต่ถ้าอย่างนี้ลหละถ้าในหลักการเขาบอกว่าให้เอาธรรมะเนี่ยเป็นหลักเวลาเราทาต่อกันหรือปฏิบัติต่อกันเขาเรียกใช้ตอตัวทอทหารทออธรรมเนี่ยปฏิบัติต่อกันนี่ทาต่อกันแต่เป้าหมายเพื่อเข้าถึงธรรมะทอทงทอทงรอเรือรอเรือมอม ถ้าเราอย่างนี้บอกว่าฉันจะปฏิบัติต่อเธอฉันเพื่อต้องการปฏิบัติเพื่อฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมของความเป็นสามีเพื่อจะฝึกตนเองเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นภรรยาที่ดีถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่สามีเป็นหลักเป็นจุดหมายไม่ใช่ภรรยาเป็นจุดหมายแล้วแต่กลายเป็นว่าธรรมะเป็นจุดหมายธรรมะเป็นหลักธรรมะเป็นเป็นที่อ้างอีกเช่น เวลาฉันจะปฏิบัติต่อเธอฉันต้องการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความอดท น, นต้องการเข้าถึงเมตตาเข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิั้นฉันมีสติในการปฏิบัติต่อเธอมีปัญญาในการปฏิบัติต่อเธอมีเมตตาในการปฏิบัติต่อเธอมีขันติคือความอดทนในการปฏิบัติต่อเธอกลายเป็นว่ามีธรรมะตัวนี้เป็นหลัก สามีหรือภรรยาก็เลยกลายเป็นผลอนอยจากการที่คนคนนั้นมีธรรมะเอาแรในข้อแรกใช่ไมพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าหนึ่งสัจจะบุคคลที่จะครองเรือนหรือแต่งงานกันเนี่ยข้อแรกเลยสําคัญที่สุดคือสัจจะเข้าใจคําว่าสัจจะไหยเ้าเรียกว่าจริงใจต่อกันเขาบอกว่าสัจจะนี่มันมีจริงสามทางนะหนึ่งจริงใจสองจริงวาจาสามก็คือทําจริงใช่ไหม ก็คือว่าพูดจริงทำจริงและจริงใจแต่ที่จริงมันมาจากคำว่าจริงใจก่อนตรงนี้สำคัญมากตัวสัจจะตัวความจริงเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงต่อกันพูดจริงต่อกันทำจริงต่อกันและมีความจริงใจต่อกันไม่หลอกลวงกันนั่นเองมีอะไรก็เปิดเผยมีอะไรก็บอกกล่าวกัน ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อแรกหลักๆเลยนะข้อนี้สําคัญอันนี้ข้อนี้ถ้าอุปมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยความจริงใจความสัตย์ซื่อจริงใจพูดจริงทําจริงและจริงใจนะเหมือนกับรากของต้นไม้เหมือนตัวรากเลยนะของต้นไม้ส่วนข้อที่สองธรรมะหรือเรียกว่าธรรมะก็เลยทอ้อทหารมอมมาศัพย์เนี่ย อ่านเป็นอย่าไปอ่านเป็นทอมนะธรมะศัพ์เนี่ยแปลว่าฝึกตัวนี้สำคัญที่สุดคือข้อเนี้ยตามว่าฝึกเนี่ยก็คือปรับแต่ละคนเนี่ยยอมไอ้ก็มาอีกที่หนึ่งยอมจอยก็มาอีกที่หนึ่งมาคนละที่มาคนละทางมาคนละวัฒนธรรมมาคนละประเพณีก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันแต่ถ้าไม่มีข้อนี้เข้ามาและยุ่งแหละทุกคนก็จะถืออัตลักษณ์ของตนเอง ทุกคนมีฉันมีอัตลักษณ์แบบนี้มีบุคลิกภาพแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้มีมุมมองแบบนี้มีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้แหละส่วนยมจอยก็บอกฉันก็มีอัตลักษณ์ของฉันแบบนี้ฉันก็มีทัศนคติแบบนี้มีทิฏฐิแบบนี้มีมุมมองแบบนี้มีข้อคิดเห็นแบบนี้ฉันก็จะเป็นของฉันอย่างนี้แหละนี่แปลว่าอะไรเนี่ยทุกคนก็เอาอัตลักษณ์ของตนเองยอมเคยได้ยินคําว่าเพลงโบราณไหมคําว่าเลิกมีเลิกไม่ด็อกเนี่ย ฉันรักหมาเลี้ยงหมาคุณก็ต้องรักหมาฉันด้วยใช่ไหมอันนี้อัตลักษณ์ของตนเองเนี่ยคือฉันเป็นอย่างไรฉันก็จะเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องชอบในสิ่งที่ฉันเป็นเท่านั้นและฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนอย่างเด็ดขาดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกไม่มีธรรมะจริงๆแล้วการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมาปรับทั้งคู่เลยนะแล้วต้องมีการปรับใหญ่ด้วยเขาเรียกอะไรปรับทัศนคติเคยได้ยินคํานี้ไหม มันอยู่ที่ว่าใครจะเรียกใครไปปรับทัศนคติอะรหว่างสามีหรือภรรยายอมเตีย ว, ว่าไงดีใครเป็นคนปรับทัศนคติใครทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยนั้นทั้งคู่ก็ต้องปรับปรับให้มีความต่างกันหรือปรับให้มีความเหมือนกันหรือเข้ากันได้ปรับให้เข้ากันเหมือนไม้เนี่ย <S 2> <S 2> ยอมไม้ที่อยู่ในปา่าที่จะเอามาทําเป็นแผ่นกระดานมันต้องปรับ ต้องมาปรับต้องมาถากต้องมาปรับให้มันเข้ากันให้ได้ให้มันแนบสนิทให้มันชิดกันยิ่งเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันได้ยิ่งดีใหญ่เลยคนที่มีความสามารถมากสามารถจะปรับไม้แผ่นกระดานให้ชิดและติดกันได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ทั้งเรื่องความสามารถในการที่จะปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับพฤติกรรมปรับความคิดปรับทัศนะความเห็นปรับคาพูดโอปรับเยอะมากเลย ก็คือปรับครั้งเดียวพอหรือไม่พอพอไหมปรับวันปรับเดือนละครั้งพอไหมไม่พอต้องปรับทุกวันทุกเวลาเหมือนขับรถเนี่ยขับรถเนี่ยต้องปรับตลอดเลยนะคนที่ขับรถเป็นจะรู้ต้องปรับตลอดว่าทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อต้องขับยังไง ทางที่เรียบขับยังไงทางที่โค้งขับยังไงขึ้นเนินขับยังไงลงเนินขับยังไงทางที่มีน้ำขับอย่างไรเนี่ยเหมือนการชีวิตครอบครัวเนี่ยต้องปรับตลอดอย่างนี้เรียกธรรมะต้องปรับให้เข้ากันให้ตลอดไม่ใช่ปรับครั้งเดียวแล้วพอแล้วเบื่อที่จะปรับชีวิตที่เบื่อที่จะปรับจะไปกันไม่ได้มันต้องปรับตลอด ปรับจนกว่าจะนําพาชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมะต้องฝึกฝนนั้นต้องมีท่าทีในการที่จะฝึกฝนคำว่าธรรมะศัพท์นี้ยังแปลว่าศึกษาได้วนะแปลว่าฝึกด้ยนะแปลว่าพัฒนาได้นะการปรับเนี่ยไม่ใช่แค่ปรับแค่เข้ากันได้อย่างเดียวยังต้องปรับพฤติกรรมปรับคําพูดปรับวิธีคิดปรับทัศนคติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนปรับมุมมองความเห็นปรับการงานปรับหน้าที่ในการที่จะ พัฒนาให้เข้าไปถึงจุดหมายไปทางที่ดีที่เลิศที่สุดนี้เป็นต้นอุปมาเหมือนกับต้นไม้เห็นไหมเมื่อสักครู่สัจจะเหมือนรากธรรมะเนี่ยเหมือนกับตัวลําต้นตัวกิ่งตัวใบตัวผลเห็นไหมนั้นตัวกิ่งตัวใบตัวตัวดอกตัวผลทั้งหลายนี่มันปรับต้นไม้มันปรับตามด้วยดูการตลอด มีการงอกปรับตามฤดูกาลหลือดูฝนเป็นยังไงหรือดูร้อนเป็นยังไงฤดูหนาวเป็นยังไงต้นไม้ก็จะปรับตามสภาพแม้ชั้นใดธรรมะนี่ก็ต้องปรับตนเองแบบนั้นแหละนี่คือเรื่องธรรมะของผู้คองเรือนข้อที่สามเอามาจะไปเร็วๆนิดนึงขันติข้อนี้สำคัญไหมแปลว่าอดทนหรือทนทานขันติเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรดี เหมือนแก่นของต้นไม้ต้องเข้มแข็งไหมต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดคือต้นไม้ที่มีแกนนะเช่นต้นต้นมะค่าเี้ยต้นแดงต้นแตงต้นหลังหลังเี้ยต้นไม้ประเภทนี้แข็งแรงมากเอาไปทำอะไรก็ทนทานมากฉะนั้นชีวิตครอบครัวเนี่ยแกนมีสำคัญไหมสาคัญมากความทนทานความแข็งแรงเนี่ย ทีนี้ขันติเนี่ยมีสองลักษณะลักษณะแบบแบบทนแบบตั้งรับกับทนแบบบุกฝ่าทนแบบตั้งรับเนี่ยแบบว่าท่านอุปมาเหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินเนี่ยคนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างของสกรปรกหรือไม่สกรปรกใช่ไหมของเย็นหรือของร้อน ไปเทไปราดไปรถแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่สะทบสถานไม่หวั่นไหวแม้ฉันใดชีวิตครอบครัวเนี่ยมันจะเจอปัญหาเข้ามากระทบกระทั่งตลอดเวลาเข้ามาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาฉะนั้นสามีภรรยาชีวิตของระหว่างคู่บ่าวสาวกับสามีภรรยาบุคคลที่เป็นสามีภรรยา ต้องมีตัวขันติเนี่ยคือการยอมรับได้ในทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามากระแทกกระทันไม่ใช่ยอมจำนนนะยอมรับได้ด้วยปัญญาการยอมรับได้ด้วยปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าขันติยอมรับแม้อากาศร้อนก็ยอมรับได้อากาศเย็นก็ยอมรับได้สุขก็ยอมรับได้ทุกข์ก็ยอมรับได้ดีใจเสียใจทั้งหลาย ก็ยอมรับได้อันนี้เขาเรียกว่าทนแบบตั้งรับเหนื่อยไหมทนแบบตั้งรับเนี่ยต้องคิดดูที่ว่าชีวิตเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่แต่งงานจนมาถึงวันนี้ว่าต้องตั้งรับขนาดไหนไม่ใช่ตั้งรับแบบไม่มีปัญญานะตั้งรับแบบมีปัญญามีท่าทีในการที่จะรู้และก็จะฝึกฝนในการที่จะปฏิบททัติต่อสิ่งนะั้นสองอดทนแบบ โดยการบกฝ่าโอ้ดนี้หนักเลยบกฝ่าพระพระเจ้าบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนช้างศึกช้างเวลาออกศึกเนี่ยบกฝ่าไปข้างหน้าก็จะเจอลูกศรมาจากทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเนยงั้นการที่จะเป็นช้างศึกเนี่ยบกฝ่าไปข้างหน้าได้โดยไม่ย่อระทะไม่หวั่นไหวต่อลูกศรที่ ยิงมาจากทิศทั้งสี่สามารถใช้งวงใช้ใช้ใบหูใช้หางปกป้องปกป้องลูกศร น, น, น, น, นั้นได้ปัดลูกศรนั้นได้แล้วก็บุกฝ่าเพื่อจุดหมายคือชัยชนะแม้ฉันใดชีวิตครอบครัวก็อย่างนั้นแหละต้องบุกฝ่าก้าวไปใจสู้ไม่คําำว่าอดทนในที่นี้เป็นชื่อของความไม่โกรธ นอกจากไม่โกรธแล้วยังมีคำว่าวิริยะความแกล้งกล้าอาฐานก้าวไปใจสู้เป็นแรงขับเคลื่อนด้วยเพื่อจุดหมายในการที่จะนำพาชีวิตครอบครัวนั้นนะ่ะให้ผ่านคลื่นลมนะผ่านคลื่นผ่านลมเหมือนเรือลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยจุดหมายก็คือเข้าถึงฝั่งโน้นให้ได้งั้นก็จะต้องบุกฝ่าไปด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าใจในการที่จะนาเรือ ก่าคือกระแสะชีวิตครอบครัวเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเองมุ่งหวังนั้นให้ได้นี่ก็เรียกว่าทนแบบบกฝาที่สองหนึ่งตั้งรับสองบกฝาทีนี้ลักษณะของความอดทนเนี่ยมันจะมีสามขั้นตอนใช่ไหมหนึ่งทนต่อความลำบากตากตรำโอ้โหหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินโบราณก็ว่างี้ ต้องตากตรำต้องต่อสู้ใช่ไหมทนต่อความลำบากตากตรำอภรรการต่อไปก็คือทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยทั้งหลายทุกขเวทนาทั้งหลายเหล่านีนะ้ที่มันถมเข้ามาเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายประการที่สามก็คือทนต่อความทุกขใจมี <c oughs> เรื่องทุกขใจเรื่อยเลยนะตรงเนี้ยพอมีเรื่องทุกขใจขึ้นมาเเสร็จก็ยอมรับได้ ทนการที่จะยอมรับได้ตรงนี้ก็มีปัญญานะั่นแหละเข้ามาสอบสวนเข้ามาวิจัยมาแยกแยะสรุปแล้วก็คือว่าหนึ่งเห็นไหมตัวสัจจะเหมือนรากของต้นไม้สองธรรมะคือการฝึกฝนปรับตนเองก็เหมือนอะไรเหมือนกับเหมือนกับกิ่งเหมือนกับผลเหมือนกับใบที่มันงอกเหนยอยู่ตลอดเวลาตามฤดูกาลประการที่สก็คือขันติเหมือนกับกั่งของต้นไม้ข้อสุดท้ายยาคั๊ จาคาสับนี้ก็แปลว่าการสละไม่ใช่แค่สละข้างนอกอย่างเดียวนะสละในด้วยนะสละในในที่นั้นจาคาสับนี้แปลว่าการสละความเห็นแก่ตัวด้วยความเป็นผู้มีน้ำใจอันนี้ความเป็นผู้มีน้ำใจงามงั้นจาคาเนี่ยสำคัญที่สุดข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดการที่อยู่ด้วยกันเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะสละความสุขของตนเองเช่นอีกคนหนึ่งเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไม่อยากถ้าคนไม่มีน้ําใจไม่มีจาค้าก็ไม่อยากจะช่วยเหลืออีกคนหนึ่งทำงานเราก็ไม่อยากจะสละความสุขของตนเองเข้าไปช่วยเหลือเพราะมันต้องสละเช่นทั้งที่นอนที่นั่งทั้งสละเหมือนเหมือนเป็นพ่อแม่คนเนี่ย ลูกร้องตอนตีสี่ตีหนึ่งตีสองพ่อแม่เป็นไงต้องสละความสุขทิ้งลุกขึ้นมาดูลูกอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนั่นะคือความเป็นผู้มีน้ำใจเนี่ยความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออา้อนเผื่อแผ่แบ่งปันไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความทุกข์ของตนเองไม่เห็นแก่ความยากของตนเองเนี่ยยอมสละความสุขของตนเองทิ้งไปแล้วก็ขนขวายเพื่อให้คนที่เราอยู่ด้วยนะ่ะเขามีความสุขอย่างนี้เป็นต้น นั้นจาค้ามเป็นหลักอะไรรู้ไหมเป็นหลักเหมือนการฉลมจิตใจของกันและกันการที่ชีวิตจะอยู่รอดปลอดภัยและเป็นไปได้ดีได้ความเป็นคนมีน้ำใจต่อกันในทุกเรื่องในทุกกรณีในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยไอตรงนี้สาคัญที่สุดท่านจ้งอุปมาเหมือนกับน้ำเหมือนกับอาหารเหมือนกับปุ๋ยที่รดไปในรากของต้นไม้นั้นต้นไม้ที่จะเจริญเติบโต ง, งอกงามได้ก็จะต้องมีน้ำใช่ไหม จะต้องรดน้ําจะต้องพวนดินจะต้องใส่ปุ๋ยจะต้องให้อาหารแกต้นไม้นั้นเมื่อรากของต้นไม้นั้นได้ดูดซึมกินอาหารแล้วต้นไม้ก็เจริญเติบโตออกดอกออกใบออกกิ่งออกผลแก่นก็แข็งแรงต้นเม็ดเป็นต้นเม็ดชั้นใดฉะนั้นตัวจาคะจึงมีความสําคัญมากที่สุดของการมีชีวิตครอบครัวเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้จะเจริญงอกงามแข็งแรงแล้วก็ภัยบูนและเป็นร่มเงาได้อย่างดี สามารถจะให้ประโยชน์แก่คนหรือนกหรือบุคคลที่อยู่ในต้นไม้นั้นหรือเป็นประโยชน์แก่โลกไปนั้นได้ก็ต้องอาศัยนี่แหละให้ปุ๋ยรดน้ำผลิตจาคะจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดในการครองเรือนนะในการให้การมีน้ำใจต่อการการแบ่งปันการเสียสละความสุขของตนเองไม่เห็นแก่หลักแกนอนไม่เห็นแก่ความสุขของตนเองเนี่ยขนขวายในการที่จะเอื้ อ, อทอต่อกันและกัน โดยเฉพาะยิ่งมีลกูกโอ้โหยิ่งใหญ่เลยในเนี้ ย, ยผลที่จะต้องจะต้องมีจา่าคามากขึ้นนะต้องมีการเสียสละมากขึ้นต้องมีน้ําใจมากขึ้นต้องมีความทุ่มเทแรงกายและแรงใจมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของจา่าคะสรุปก็คือในสี่คอทีนี้พอหลังจากมีจา่าคะตัวนี้แล้วเนี่ยจะไปเพิ่มอะไรรู้ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดความกโกรธ หงุดหงิดไม่พอใจต่อกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจาคะก็คือการสละความโกรธเห็นไหมถ้าไม่มีจ่าคะมันสละไม่ได้ถ้ามีความตนีมีความโกรธมีความหงุดหงิดมีความพุ่งสั้นมีความเครียดมีความทุกข์ขึ้นมาต้องสละเร็วๆถ้าเรามีจ่าคะได้ดีเราจะสละความรู้สึกไม่ดีออกได้อย่างรวดเร็วพอสละความโกรธออกสละความเปลียดความเครียดออกปุ๊บ ใจตอนนั้นก็กลายเป็นเมตตาพอเมตตาก็เกิดความรักความปรารถนาดีความเอื้ออารรษแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นมาทันทีเลยในการอยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเห็นไหมเป็นการสละแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงเมตตาได้เพราะเกิดความคิดอยากจะเบียดเบียนนะคิดอยากจะเบียดเบียนกันและกันเกิดขึ้นมาก็สละความคิดเบียดเบีย น, ยนทิ้งทันทีเลยพอสละความคิดเบียดเบียนขึ้นมาทันทีปุ๊บกรุณาก็เกิดมาแทนที่ กิสงสารคิดจะช่วยให้คนที่เราอยู่ด้วยนั้นนั่นเขาประสบออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากความไม่รู้เป็นต้นอะไรเนี้ยหรือถ้าเกิดลิศยาเกิดขึ้นเห็นอีกฝ่ายหนึ่งได้นอนมากๆแล้วทนไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทํางานมาช่วยทนไม่ได้เนี่ยความรู้สึกลิศยาเนี่เพราะว่าอีกคนหนึ่งไปทํางานนอกบ้านกลับมาแล้วมันนอนแล้วไม่ยอมช่วยล้างจานไม่ยอมช่วยซักผ้าไม่ยอมช่วยถูบ้านเนี่ย เครียดทนไม่ได้ให้เห็นคนอื่นได้ดีมีสุขทนไม่ได้ก็สละสละความรู้สึกแบบนี้ทิ้งไปก็เหลือมุทิตาคอยยินดีกับเขาที่เขาได้นอนพักผ่ <c oughs> อนเพราะเห็นที่อย่างเนี่ ย, ยจาคามดีอย่างเงี้ยเนี่ยสละสละความรู้สึกไม่ดีทิ้งลงไปแล้วก็มีความชื่นใจที่เห็นเขาได้พักผ่อนเห็นเขาได้นอนเห็นเขาได้มีความสุขทำได้ไหม อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ห่วงลิขิ์เฉพาะคนกำลังจะแต่งงานนะที่แต่งแล้วก็ต้องยิ่งทำใหญ่ <c oughs> ต้องยิ่งทำไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามุทิตาพรอยยินดีเมื่อคนอื่นประสบได้ดีมีสุขทีนี้ให้สังเกตดูหลักการจาร่าเทนี้นะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยลูกอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ใช้เมตตารุณามุทิตาเยอะมาก แต่พอรูกออกไปแต่งงานแล้วให้สังเกตดูนะเมื่อรูกไปมีฝั่งมีฝามีย่ามีเรือนแล้วไปแต่งงานแล้วเนี่ยพ่อและแม่ต้องใช้อุเบกขาเยอะไม่ใช่ไปกรุณามุดไปเมตตากรุณามุติตาอยู่เรื่อยเลยเขาย้าใจยังเดียเ๋ยวนี้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพ่อแม่ก็ต้องวางใจเป็นกลางให้เขาได้มีโอกาสฝึกตัวเองพัฒนาตัวเอง นำพาชีวิตครอบครัวพ่อแม่ก็ถอยออกมาอยู่เบื้องหลังดูห่างๆเขาเรียกว่าเฉยมองแต่ไม่ใช่ว่าเอาละหวังวันนี้มานานแล้วต่อไปไม่สนใจแล้วทิ้งไปเลยไม่มองเลยอันนี้เ็าเรียกเฉยเมยไอเฉยเมยนี่เป็นโมหะถ้าเฉยมองนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุเบกขาที่ถูกต้องนะมันมีสองส่วนนะอัญญานุเปกขาใช้สัพพะนิสติงนะเคาเรียกว่าเฉยแบบไม่รู้เรื่อง เฉยแบบทิ้งไปเลยไม่เอาไม่สนใจเลยกัญญานุเปกขาก็คือเฉยแบบรู้เฉยแบบเข้าใจฉะนั้นพ่อแม่พอลูกแต่งงานแล้วต้องเฉยแบบมองดูห่างๆให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นตน้นทีนี้ในหลักการก็คือว่าคนที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะเป็นสามีเนี่ยทุกคนนะต้องรู้ต้องรู้จากความทุกข์ของผู้หญิง โดยเฉพาะยอนเตีย๋ยก็ต้องรู้ด้วยว่าผู้หญิงมีความทุกข์เท่าไหร่ข้อแรกนะความทุกข์ของฝ่ายหญิงที่จะต้องมาอยู่กับฝ่ายชายทุกข้อแรกก็คือคืออะไรรู้ไหมทุกจากการที่เขาต้องจากพ่อแม่ปู่ตายายใหญไม่อยู่กับเราไนงะเขาจะต้องห่างพ่อห่างแม่ห่างพี่ห่างน้องห่างปู่ตายายายของเขาห่างญาติมิตร อันนี้เป็นความเหงาเป็นความว้าเหวของผู้หญิงอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ของผู้หญิงอย่างหนึ่งผู้ชายต้องรู้ต้องรับทราบเขาเชื่อเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะสามารถนำพาชีวิตของเขาไปสู่จุดหมายที่ดีผู้หญิงเขาเชื่ออย่างนั้นผู้ชายบางคนแต่งงานเพียงห้าวันทําลายความเชื่อเขาทันทีเลยนะ <Gentlemen. S 1> <paling S 2> <ười> ยังไม่ถึงเจ็วันเลยแค่ห้าวันทาลายความเชื่อเลยแต่ก่อนเขานึกว่าเขาเชื่อถูกแล้วความเชื่อของเขานี่นะเพราะเห้าวัน่ะ กับกลายเป็นคนละคนไปเลยเงนี้ยนี่ยฉะนั้นต้องให้ความเชื่อของเขาเนี่ยแล้วก็ต้องเพิ่มความเชื่อเขาไปเรื่อยๆบอกว่าที่คุณเลือกฉันเป็นสามีนะ่ะคุณเลือกถูกแล้วต้องบอกเขาทุกวันตื่นขึ้นมาก็กระซิบบอกเขาบอกว่านี่นะที่คุณเลือกฉันเป็นสามีนะ่ะคุณคิดถูกแล้วให้ความอะไรให้ความเชื่อมัน่น อย่าเพิ่งให้เขาพูดก่อนถ้าเขาพูดก่อนเขาบอกเอ๊ะฉันเลือกผิดหรือเลือกถูกเขาจะงงงงในชีวิตไงเราต้องรีบบอกเขาก่อนว่าคุณเลือกถูกแล้วที่เลือกฉันคือให้ความสุขเขาก็คือให้เขาเชื่อมัน่นว่าเรายังมีศักยภาพยังมีความสามารถที่จะนําพาชีวิตไปถูกจุดหมายไปทางได้เนี่ยตรงนี้เป็นความเป็นความทุกข์ของเขาความทุกข์ความว้าเหวของผู้หญิงข้อแรกนะ ข้อที่สองผู้หญิงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายในเดือนละครั้งผู้หญิงทุกคนเป็นแบบนี้หมดแม้แต่จะวัยมากแล้วก็จะมีความผันแปรเดือนละครั้งแรงแรงมากดินน้ำไฟลมในร่างกายของเขาเกิดพันผันแปรอย่างรุนแรงพวกดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในกระแสชีวิตเปลี่ยนแปลงปุ๊บเป็นเหตุให้จิตใจว้าเหวว้าวุ่นได้ง่ายเขาจะเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายทุกง่าย เหงได้ง่ายว้าเหวได้ง่ายอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติของหญิงและธรรมชาติของชายธรรมชาติในที่นั้นคือธรรมชาติของกรรมที่เขาทํามาสั่งสมใ ห, ให้เขาเกิดเป็นหญิงธรรมชาติกำที่ผู้ชายทำมาทําไม่เกิดเป็นชายผู้หญิงเมื่อธรรมชาติสร้างไม้เกิดเป็นหญิงปุ๊บจะมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเดือนละครั้งการที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเดือนละครั้งเนี่ยธาตุดินธาตุน้ทาทนํทาธาตุไฟธาตุลมในร่างกาย เปลี่ยนแปลงพราะเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีผลต่อจิตใจจิตก็ท้อได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายเครียดได้ง่ายวิตกกังวลได้ง่ายผู้ชายที่เป็นสามีต้องฉลาดห้ามมึนห้ามมึนนะทาเป็นมินมินงงงเฉยเ ฉ, ะ ฉ, ะฉะยไม่ได้ต้องฉลาดในการที่จะปอบโยนครับบางครั้งผู้หญิงบางคนเน่ยเขาเป็นคนไม่ชอบเหตุผลตลอดเวลาคลเคยฟังไหมเคยได้ยินคำนี้ ผู้ชายบางคนชอบจะให้เหตุผลทุกเวลาแต่ผู้ชายกับผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาอยากจะเป็นคนไล้สาระบ้างอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องรู้จักให้เวลาไล้สาระของทัพเขาบ้างใช่ไหมคือเขาอยากจะเล่นบ้างอยากจะสนุกบ้างแต่ก็ให้มีสาระแบบนิดนิดไม่รู้จะสื่อสื่อได้หรือเปล่าเนี่ยให้มีสาระแบบนิดนิดไม่ต้องสาระทั้งหมด เพราะบางทีให้แต่สาระทั้งหมดเขาเครียดไหมยิ่งเขาเครียดอยู่แล้วเขาหงุดหงิดอยู่แล้วช่วงนั้นเราก็จะเอาแต่สาระสาระสาระเขาก็เครียดใช่ไหมงั้นก็ให้เวลาเขาบ้างเขาอาจจะสนุกบ้างขอไล้สาระเล็กๆน้อยๆก็รู้จักที่จะปล่อยให้เขารู้สึกให้ความสุขกับเขาและให้การปลอบโยนเขาให้กาลังใจเขาให้วิธีคิดเขาอันนี้คือข้อที่สองส่วนรายละเอียดน่ย ให้ไปคิดต่อเนะยเพราะพระไม่มีเวลาลงดีเทลรายละเอียดจะมเราก็ต้องไปลงรายละเอียดเราเองตอนนั้นเนะ่เพราะพระไม่ได้เป็นผู้ไปแต่งเองยังไเราเราจะต้องไปหาดูแล้วไปสังเกตแล้วก็ไปดูรายละเอียดเองว่าควรทำยังไงความทุกข์ที่สามก็คือแต่งงานกันแล้วเนี่ยพอหวังอยากจะสร้างทายาทที่ดีสืบต่อก็จะต้องทุจากการตั้งครรภ์ ทุกาการมีบุตรโอ้โหเนี่ยเขาจะต้องกังวลมากเลยเนี่ยต้องฉลาดแล้วแต่เนี้ยผู้ชายต้องเก่งในการที่จะต้องดูแลเขาอย่างไงในขณะที่มีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วต่อมาคลอดเป็นยังไงเลี้ยงลูกเป็นยังไงโอ้โหรายละเอียดตามมาอีกเยอะเลยแตเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ลูกของคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ลูกของฉัน ตรงนี้ไปพูดอย่างนี้อะไรยุ่งเลยลูกของคนไม่ใช่ลูกของฉันใช่ไหมนี่พูดต่อหน้าภรรยาบอกนี่ลูกของคุณไม่ใช่ลูกของฉันต่ไปลูกพูดกับลูกบอกว่านี่ลูกของฉันไม่ใช่ลูกของคุณนี่กลัวลูกไม่รักงั้นตรงนี้ก็ต้องไปให้กำลังใจเขาอย่างไรแนะนำเขาอย่างไรปลอบประโลมเขาอย่างไร เป็นกำลังใจไม่พอช่วยเขาแบกรับภาระอย่างไงในการดูแลเลี้ยงดูอันนั้นก็ไปดูรายละเอียดกันเอาเองนะเพราะลายละเอียดมันเยอะมากใช่ไหมล่ะกรณีที่เด็กคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นมาได้ต้องใช้ความสามารถสูงมากตรงนี้นะข้อสุดท้ายผู้หญิงมีทุกข์ในการที่ต้องปนเปลืบ น, นิบัติฝ่ายชายอหาข้าวให้หาน้ําให้ซักผ้าดูแลอะไรก็แล้วแต่ ผู้ชายก็ต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปบางทีผู้ชายอผมละใช้หมดเลยนีใช่ไหมล่ะตรงเนี้ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องเค้นใจซึ่งกันและกันนี่เป็นต้นนี่หลักการที่ผู้ชายต้องรู้ทีนี้ในรายละเอียดนี่พูดเรื่องฝ่ายชายจะพูดให้หมดก่อนนะฝ่ายหญิงก็พูดทีหลังมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจมาไปบรรยายนี่แหละ บรรยายได้เฉพาะผู้ชายพึงปฏิบัติต่อผู้หญิงแล้วเวลามันหมดแล้วพอหลังจบปุ๊บเจ้าสาวก็ชี้ไปว่เจ้าบ่าวบอกว่าจำไว้เนที่ท่านอาจารย์เทศนีโอ้โหตอนนี้แล้วมาเมื่อไม่นานา น, นี้ออามาก็ตามข่าวว่าคู่นี้ไปถึงไหนแล้วฝ่ายชายบอกว่าผมถูกใช้ตลอดเลยตั้งแต่วันแต่งจนถึงวันนี้ เขบอกว่าไม่นานนี้เขาขอบ้านอีกหนึ่งหลังด้วยเนะีก็ต้องหาบ้านในเขาด้วยนะฉันบอกว่าแม่เป็นพระ่อผอาจารย์ไม่เทเสว่าผู้หญิงพึงปฏิบัติต่อผู้ชายยังไงอันนี้เดี๋ยวพูดผู้ชายต่ออีกห้าข้อหนึ่งก็คือว่าเจะได้ไปเร็วๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงจะไม่เดี๋ยวจะไม่ทันเร้่อผู้หญิงพึงปฏิบัติต่อผู้ชายก็คือว่าด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา ผู้ชายข้อนี้สำคัญมากนะผู้หญิงเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยนะร้อยคนก็คือร้อยคนเต็มๆเี่ยชอบให้สามียกย่องนั้นต้องยกย่องเธอเธอมีความดีอย่างไรต้องยกย่องให้หมดห้ามตกหลน่นความดีที่เธอมีอ่ะให้สังเกตทั้งหมดแล้วก็เอาความดีของเธอมายกย่องมายกย่องให้ปรากฏ ทำได้ไหมข้อนี้ยกย่องความดีแต่บางคนอาจจะบอกผมมองมาแล้วต้องเป็นเดือนยังไม่เห็นความดีเลยแต่จริงๆความดีมีนะไม่ใช่ไม่มีบางทีความดีของเธออาจจะซ่อนอยู่ลึกก็้องพยายามเจาะใช้ปัญญาเจาะมองให้เห็นว่าความดีต่นี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะนั่นแหละยกย่องความดีนั้นให้ปรากฏปรากฏให้ได้นะนี่ในข้อที่หนึ่งเพราะว่าผู้หญิงจะชื่นใจมาก เช่นยกตัวอย่างนะภรรยาผมเป็นคนขยันภรรยาผมเป็นคนซื่อสัสตย์ภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดภรรยาของผมเป็นคนที่รอบคอบภรรยาของผมเป็นคนที่เป็นคนที่วางตนได้ดีเหมาะสมในทุกสถานการณ์ในทุกที่พูดอย่างนี้บ่อยๆเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเธอจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ ถ้าบอกว่าภรรยาผมเป็นคนฉลาดโอ้ยเธอก็จะต้องขวนขวายที่จะฉลาดได้ได้เห็นไหยข้อแรกนะคื อ, คอยกย่องข้อที่สองไม่ดูหมิน่นถ้าต้องการอยากให้ภรรยาเป็นอย่างที่เราที่เราที่ถ้าที่เราดูมินนะเขาเป็นจริงจริงยกตัวอย่างเช่นโง่ขอภัยนะโง่มากเลยภรรยาผมโง่มากต้องพูดทุกวันทุกวันแล้วเธอก็จะเริ่มโง่ลงโง่ลงเลยในเนี้ยมันจะเป็นอย่างไน เพราะเธอก็จะไม่มีกำลังใจในการจะศึกษาควนควาใช่ไหมภรรยาใช้ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยภรรยาขี้เกียจมากนอนก็เก่งชอบเที่ยวใช้เงินเปืองเราพูดเยอะๆดิตำหนิอย่างนี้เยอะๆดิมันจะหลุดหมดเลยนีเนะฉะนั้นผู้หญิงมีข้อห้ามอยู่ข้อแรกเลยห้ามดูหมิน่นให้ยกย่องอย่างเดียว บางคนกลัวไงกลัวภรรยาจะเหลิงกลัวว่าอียก ม, กมากๆเดี๋ยวเหลิงผู้หญิงจะไม่เหลิงแปกมากแต่ถ้าตําหนิแล้วจะเป็นอย่างที่ตําหนิลองตําหนิด้วยขี้บน่นลองพูดทุกวันนะทีนี้ถ้าภรรยาขี้บ่นอยู่แล้วทํำยังไงจะหายอทํำยังไงภรรยาบ่นเก่งทํำยังไง ภรรยาของผมเนี่ยเวลาผมกลับบ้านดีไรเธอจะอบลมผมดีดีคือก็แยกก็บอกโยมผู้หญิงไว้ที่เป็นภรรยาเนี่ยแยกให้ออกนะถ้าต้องการอยากจะมัดใจสามีแยกคําว่าบน่นกับคาว่าแนะนําออกกันให้ชัดอยากให้อยู่ในเวลาเดียวกันเช่นเวลาเราหงุดหงิดแล้วเราก็จะบน่นบ่นบ น, บ น, บ น, บ น, บนออกมาใช่ไหม แลวในขณะเดียวกันก็แนะนำไปด้วยสามีก็มึนไม่ลไอ้บ่นหรือสอนบ่นหรือแนะนาแยกไม่ออกนะคร้านะเข้าไม่อยากฟังฉะนั้นถ้าจิตคิดอยากจะบน่นก็เงียบไว้จนขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้และจริงพูดจาดีๆออกมาถ้าทำได้อย่างนี้จะมัดมัดใจสามีได้นั้นสามีก็คือหนึ่งไม่ไม่ตาหนิ ก็คือยกย่องสองไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ดูหมิ่นสามไม่นอกใจสําคัญไหมข้อนี้ยกย่องข้อที่หนึ่งไม่ตําหนิไม่ดูหมิ่นข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามไม่นอกใจในสามข้อนี้ข้อไหนสําคัญที่สุดรบองคนบอกข้อสามจริงสําคัญทุกข้อแล้วก็ข้อที่สี่ก็ มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้เข้ามาในบ้านก็บอกว่าเธอเธอเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้เธอจะจัดแจงยังไงจะทำยังไงทั้งหลายเธอจัดแจงเลยในบ้านนี้นะมอบห้ความเป็นใหญ่ให้แล้วเธอจะชื่นใจมากเลย บางครั้งบางทีเราอยากจะออกความคิดเห็นบ้างก็กยกมือขอโอกาสเป็นระยะระยะ <c oughs> ในบ้านนี้ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีภระระยาเป็นเป็นหัวหน้าในบ้านนี้ <c oughs> เรียนแบบเหมือนรัฐมนูลที่เขาเขียนเพราะว่าจอยก็เรียนกฎหมาย โลอยู่นะประเทศไทยปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขในบ้านนี้ก็ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีภรรยาเป็นเป็นใหญ่ถ้าทำอย่างนี้อยู่ได้บาลานกันเซบาลานระบบแบบประชาธิปไตยกับแบบสมบูรณาเนี่ยใ ห, ให้ให้เช็คบาลานให้ให้สมมาตา ก, กันให้ได้ดุลยภาพอย่าไป สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งทั้งนั้นชีวิตคู่จะไปไม่รอดฉะนั้นมอบความเป็นใหญ่ในบ้านข้อสุดท้ายหาเครื่องประดับให้ในการนั้นควรสามีท่านใดที่ยังไม่เคยทําข้อนี้กลับไปวันนี้ได้ไปทําเสียและไม่ต้องกลับไปถึงบ้านนะถ้าผ่านร้านเพชรร้านทองก็แวะก่อนเลย เขาใจอยางอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีที่พึงทำต่อภรรยานะหาเครื่องประดับให้ในการนั้นควรการนี้เป็นการเป็นวันเวลาที่เขาแต่งงานกันพอดีก็เลยเอาการนี้เป็นการนั้นควรยอมเตียกลับไปก็มีร้านเพชรแถวนี้ก็แวะก่อนหาซื้อให้ทำหน้าที่ใช่ไหมนี่หน้าที่ของสามีนะยอมทาได้ไมอันนี้เป็นหน้าที่ที่ การทำอย่างนี้แล้วจะทำให้ชีวิตชีวิตครอบครัวเนี่ยมีพลังนะมีรสชาติมีพลังไม่หงอยเหงาไม่เศร้าซึมเขาจะมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะความเป็นภรรยาอย่างดีถึงแม้เราอาจจะทุกใจหน่อยที่ต้องเสียอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ใช่ไหมแต่จงให้คิดถึงคำวอาจากะสละข้างนอกแล้วก็สละข้างในเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ยังไเป็นการให้เป็นการสละเนี่ยสละความรู้สึกที่ตมหนีหวงคือจิตที่คับแคบเนี่ยสละทีนี้ถ้าหากภรรยามาสามีไม่มาก็อัดเทพไปไปบอกสามีบอกพระท่านบอกแล้วก็บอกด้วยนะว่าไม่ใช่พระพูดเพราะพระพเจ้าบอกไว้ก็ถามต่อไปเธอนับถือพุทธศาสนาไหม ตองนับถือพุทธศาสนามีพุทธเจ้าเป็นหลักมีพุทธเจ้าไปที่อ้างอิงใช่ไหมเมื่อพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เธอจงทําตามเชจริงๆฉันก็ไม่อยากได้เท่าไหร่หรอกอยากให้เธอทําหน้าที่ในความเป็นสามีดีๆให้บอกเขาอย่างนี้แล้วเขาก็จะทําตามทันทีเขาใจอย่างเพราะเขาอยากจะปฏิบัติทำก็คือเป็นศีลของสามีข้อนเอาละแต่นี้น้าของสามีนะต่อไปภรรยาภรรยาที่พึ่งปฏิบัติต่อสามีแั่เนี้ย ข้อแรกเลยนะเมื่อสามีเอภภรยาได้รับอนุเคราะห์เ mm. กื้อกูลดูแลอย่างนี้แล้วเนี่ยภรรยาก็ต้องปฏิบัติตนให้ดีที่สุดข้อแรกเรียกว่จัดการงานดีโอตรงเนี้ยเป็นคนจัดการงานบ้านจัดงานทั้งหลายเป็นคนที่จัดเขามาจัดดีในที่นี้เป็นความฉลาดนะฉลาดในการที่จะจัดคนที่จะจัดการงานตรงนี้ดีได้จะต้องมีตัวปัญญาเนี่ยมาตัวนำนำนำน ำ, นำความคิด ปัญญาก็จะรู้ว่าเราควรจะจัดอย่างไรการงานแบบนี้ควรจะกระทําอย่างไรงานในบ้านทำอย่างไรงานนอกบ้านทำอย่างไรกิจกรรมตรงนี้ควรจะทํางไรจัดอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ยตัวนี้ภรรยาต้องเก่งประการที่สองส่งเคราะห์คนที่เกี่ยวข้องกับสามีได้ดีตรงนี้เป็นข้อคําว่าสมานัตตาเลยนะการวางตนให้เหมาะสมในทุกกรณีในสถานการณ์นั้นในเหตุการณ์นั้นๆเช่นเพื่อนของสามีเราควรปฏิบัติอย่างไรพ่อของสามีเราควรปฏิบัติอย่างไร แม่ทองสามีควรปฏิบัติอย่างไรอาณนาะปู่ตายา ย, ายพี่น้องญาติมิตรวงศารนาญาตาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าต่อสถานการณ์นั้นๆต่อบุคคลนั้นๆเราควรจะปฏิบัติอย่างไรในที่นั้นๆใน ท, ทุกกรณีควรจะแสดงพฤติกรรมกับเขาอย่างไรควรจะมีสภาพจิตใจคิดต่อเขาอย่างไรควรจะมีความรู้ข้อมูลอย่างไรในการที่จะ ขับเคลื่อนในการปฏิบตัติต่อบุคคลนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับสามีนั้นๆภรรยาต้องเก่งต้องเรียนรู้ต้องฝึกต้องมีตัวพวกธรรมะเนี่ฝึกตนเองเนะ ป, ปรับปรับตรุงตนเองปรับวิธีคิดของตอนเองเช่นว่าไม่ใช่ใช้หน้าเดิมๆเช่นเคยทําหน้าแบบไหนก็หน้าแบบนั้นตลอดเลยเนี้ยแล้วก็ยังยืนหยัดว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ย ฉันเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะต้องทําหน้าแบบนี้ทำบุคลิกภาพแบบนี้ตลอดเลยเนั้ น, นอัตลักษณ์เนี่ยอัตลักษณ์นะไม่ต้องไปแสดงให้ปรับตามสถานการณ์นั้นนะตามบุคคลนั้นนั้ น, น, นจะเรียกว่าสรงขคาคนที่เกี่ยวข้องของสามีได้ดีข้อที่สามก็คือไม่นอกใจไม่นอกใจเนี่ยให้นึกถึงนาที่ภรรยาของพระมโหสถเนี่ยชัดขอเล่าเรื่องนี้เสริมนิดนึง จะได้เป็นกำลังใจแก่ผู้หญิงคือผู้หญิงที่ฉลาดเนี่ยสามีทดลองยังไงก็ไม่นอกใจเหมือนนที่เป็นภรรยาของมโหสถเนี่ยสามีทดลองเอาบุคคลที่รวยที่สุดหน้าตาดีที่สุดฉลาดที่สุดเอามาโอโลมปฏิโรกให้ไปทำทุกวิถีทางเธอก็ไม่ยอมนอกใจเธอให้เหตุผลสามข้อ ที่ไม่นอกใจนะคือคนผู้หญิงเนี่ยจะทำผิดต่อเพศตรงกันข้ามในสมเรื่องหนึ่งได้ขนาดได้ขนาดสองได้โอกาสสมได้ที่ลับขนาขณะก็คือปล่อยให้ขนาดจิตที่คิดอยากจะทำผิดเนี่ยทำชั่วเนี่ยเกิดขึ้นโอกาสก็คือไปปล่อยโอกาสให้มีโอกาส อยู่ร่วมการไปไหนมาไหนกับคนที่ไม่ใช่สามีของตัวเองอะ่ะจนเกิดเลยและที่ลับก็คือไปอยู่ในที่มิดชิดที่ไม่มีใครเห็นพอได้ได้สามโอกาสเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสทำทำผิดได้แต่ภรรยาของมโหสถเนี่ยเธอไม่ปล่อยขณะให้เกิดขึ้นไม่ปล่อยโอกาสให้เกิดขึ้น และเธอมองเห็นว่าไม่มีที่ลับในการทําบาปเธอบอกว่าถ้ามนุษย์ไม่รู้เทวดาก็รู้ถ้ามนุษย์เทวดาไม่รู้ตนเองเนี่ยเป็นผู้รู้ฉะนั้นจึงไม่มีที่ลับไหนๆเลยที่ตนเองจะไปทําผิดทําชั่วเมื่อคิดอย่างนี้ได้แล้วจึงไม่ยอมทําชั่วยังไงข้อสุดข้อที่สมนี่ว่าไม่นอกใจผู้หญิงต้องแข็งแรงางด้านนี้ให้ดีต้องมีกระบวนการความคิดนี้ให้ดีข้อที่สี่เก็บทรัพย์ มีสำคัญมากนะเพราะว่าภรรยาจะต้องเป็นนักบัญชีที่ดีครอบครัวก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีธุรกิจทุกชนิดตั้งแต่ธุรกิจขนาดประเทศเนะระดับประเทศนะระดับประเทศล ง, ลงมาจนธุรกิจระดับใหญ่ลงมาจะถึงธุรกิจระดับเล็กสุดหัวใจของความสำเร็จอยู่ตรงที่บัญชี ถ้าใครครมบัญชีได้แล้วก็อยู่ในระบบควบคมการรับรายรับรายจ่ายได้ดีประเทศนั้นก็ไปรอดบริษัทนั้นก็ไปรอดครอบครัวนั้นก็ไปรอดฉะนั้นภรรยาที่ดีจะมีหน้าที่ในทางด้านเก่งทางด้านของเรื่องการรับจ่ายฉลาดมากเก็บทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้คาว่าเก็บทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นตัวนำกลับ ห า, หาไว้ได้แล้วก็จะใช้จ่ายยังไงก็มันมีหลักในการใช้จ่ายนะั้นออมาจะไม่ลงไปในรายละเอียดส่วนข้อสุดท้ายก็คือขยันไม่เกียจค้านในกิจการทั้งปวงโอ้โหเดีเนี้ยผู้หญิงต้องเก่งมากเลยในข้อเนี้ยเพราะว่าความจะต้องขยันเนี่ยทีนี้วิธีคิดจะให้ขยันได้เนี่ยจะต้องมีความคิดที่บอกว่ากว่าขยันตัวนี้ศัพท์นี้เป็นชื่อของวิริยะ คนเกียรติ้านก็คือคนมีวิริยะนิต่ำความเพียรต่ำสั์ตัวนี้เขาเรียกว่าวิริยะพละกำลังของความเพียรความเกล้ากล้าก้าวไปใจสู้จะต้องเป็นคนที่ขยันมากขยันในการที่จะบุกฝ่าบุกฝ่าไปข้างหน้าในในกิจการทั้งปวงสรุปตรงนี้คือหลักการที่จะทำให้ครอบครัวดาเนินไปได้ดีนะ 1ก็คือธรรมะเ ก, กี่ยวกับการองเรือนได้บอกไปแล้วสองก็คือหน้าที่ของสามีและหน้าที่ของภรรยาที่พ้งปฏิบัติต่อกันเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาข้อวัดผลวัดสี่ด้านว่าครอบครัวจะมีสุขหรือไม่มีสุขนี่นะจะประสบความสาเร็จหรือไม่สลดความสาเร็จมีข้อวัดอยู่สด้านด้วยกันหนึ่งพอค่สุขก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์ เมื่อหาทรัพย wow. ah ์มาได้หาที่อยู่อาศัยเครื่องนั่งมหายาอาหารมาได้แล้วเนี่ยด้วยความมั่นด้วยเร็วแรงด้วยกําลังด้วยสุจริตธรรมปุ๊บมันมีความสุขที่เราหามาได้ด้วยเร็วแรงด้วยกําลังด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยสัมมาอาชีวะจริงๆกายก็บริสุทธิ์วาจาก็สรุปในการที่เราจะหามาได้พอได้ทรัพย์มาแล้วมันมีความสุขเห็นไหม เนี่ยวัดผลได้เลยว่าทรัพย์ที่เราหามาได้ที่ร่วมกันในการสร้างเนื้อสร้างตัวมันมีความสุขมองไปที่ทรัพย์เท่าไลแล้วอิ่มใจภูมิใจแล้วชื่นใจนี่วัดได้ข้อแรกสองสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคทรัพย์ใช้สอยทรัพย์พอได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมาจ่ายมาดูแลตนเองให้มีความสุขยังไงดูแลบุตรหลานญาติมิตรพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายมีความสุขอย่างไรลูกน้องมีความสุขอย่างไร แล้วใช้ทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ยังไงเป็นต้นก็จัดสรรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีความสุขทุกขั้นตอนในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์หมดเลย ไ, ไหมสุขประการที่สองสุขประการที่สามก็คืออันนานัสุขก็คือสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ใครต้องไม่สร้างหนี้สินหรือในยุคนี้ถ้าจะสร้างก็ต้องสร้างแบบชนิดที่มันมีระบบของมัน ชนิดที่เราไม่เป็นทุกข์คือระบบในตัวมันเองจัดการตัวมันเองได้ไม่ใช่ว่าหาเช้ากินค่ำงั้นไม่ใช่แต่ระบบเป็นตัวจัดการของมันเองแล้วแต่ว่าแต่โดยหลักการจริงๆก็คือถ้าไม่เป็นหนี้จะมีความสุขมากที่สุดความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้ใครไม่ต้องไปต้องไปชดใช้ใครต้องไปทุกข์ใจจากการเอาของคนนั้นมาของคนนี้มาตัเองก็มาเป็นภาระทางใจอยู่นั่นเลยใช่ไหมเนี่ยสุขจากการไม่เป็นหนี้ นี่สามข้อเลยนะแต่ข้อที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหยศุขเกิดจากการทำกิจกรรมที่ไร้โทษหรือประพฤติกรรมที่ไร้โทษการดำเนินกิจกรรมของชีวิตเช่นการประกอบกิจกรรมของชีวิตนะกายก็สุจริตวาจาก็สุดจิตใจก็สุดริตได้สุดจิตสาเลยในการยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดก้มเงย กินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายเจะะริญปัสสวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนี่ก็คือในการดําเนินกิจกรรมของชีวิตน่ยกายก็สะอาดไม่ฆ่าสัตว์รักษาความูดปิดในกลางวาจาก็สะอาดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบและเพื่อเจือพูดแต่วาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาเป็นต้นแล้วก็ใจก็สะอาดปราศจากโลภกดหลงก็เลยเป็นใจที่เป็นไปกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามเป็นต้น เห็น ไ, ไหมว่ากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดการ ด, ดําเนินกิจกรรมของชีวิตไปได้สุดจริตสามอย่างนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นความสุขสูงสุด ข, ของการมีชีวิตที่ครอบครัวนะทีนี้ทรัพย์ที่หามาได้ได้วยความหมั่นดีเรีย่ยวแรงมันจะหาโดยชอบธรำกับไม่ชอบทำอย่างพวกเราหาโดยชอบทำพอได้ทรัพย์มาแล้วมาเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขพ่อแม่ปู่ตายายญาติมิตร ทำความดีทั้งหลายเป็นต้นแค่นี้ไม่พอหลักการในการคองเรือนมีสามก็คือหนึ่งขยันสองไม่ประมาทสก็คือฉลาดจัดการขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการยังไม่หลักการคืออย่างนี้ทีนี้เวลาเรามีทรัพย์บางคนเนี่ยอยู่ใช้สอยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเป็นทา สยบหมกมุ่นมัวเมาเป็นทาตของทรัพย์อยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความเครียดอยู่ด้วยความกลุ่มอยู่ด้วยความวิตกกังวลมีทรัพย์ก็เป็นทุกข์เพราะซับเดือดร้อนเครียดวิตกกังวลลักษณะอย่างนี้ถึงจะกินอยู่ใช้สอยซัพย์ก็ถือว่าไม่เป็นอิสระไม่เป็นไทยถือว่าเป็นทาตุนั้นหลักการจะครองชีวิตให้สูงสุดจริงๆก็คือว่าเมื่อมีทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองทั้งหลายก็กินอยู่ใช้สอยทรัพย์ด้วยความฉลาดด้วยความรู้เท่าทันมีปัญญาอยู่เหนือโชคัพย์ใช้จ่ายใช้สอยทรัพย์นั้นด้วยความรู้เท่าทันด้วยความไม่เป็นทุกข์ด้วยสภาพจิตที่เป็นอิสระเขาเรียกว่านิสรณปัญญาเอาละวันนี้อาตมาแสดงทำมาสมควรแก่เวลาแล้ว หมดเวลาอ่ะหมดแล้วเนี่ยโอเคพอดีนะเออเขาเองช่วยหน่อยก็ขอมโนธนานะกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวชื่อจริงๆอ่ะมาต้องต้องดูเนี่ยไอระดาเจริญชัยกับสรันโพธิแพทย์เอามาเรียกให้ชื่อเล่น ก็ขอมโนธานาที่ได้ตั้งใจแล้วก็ความรักมีอยู่เหตุของความรักมีสองประการนะยอมเตียนะหนึ่เขตในอดีตสั่งสมมาในอดีตสองเหตุในปัจจุบันเพื่อหนุนเพื่อกูลกันในปัจจุบันบุคคลที่ได้เหตุทั้งสองประการนี้จะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคง แม้บางคนเหตุในอดีตอาจจะแผ่วหรือเบาบางมากแต่ทําเหตุปัจจุบันให้แข็งแรงทําให้หนาแน่นทําให้ติดต่อทําให้ต่อเนื่องก็จะสามารถทําให้ชีวิตครอบครัวนั้นดำเนินไปได้ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็สามารถสมปรารถนาไปต้นได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกหลักอย่างนี้ไว้ก็จงสร้างเหตุที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวนั้นนี่ยเชื่อมแล้วก็ เชื่อมประสานกันให้ดีเพราะเป็นเป็นบทท้าทายมากท้าทายก็คือว่าวันนี้คนมาเป็นสขีพยานเข้ามาดูเมื่อมาดูเราทั้งสองคนกิจกรรมการแต่งงานแค่วันนี้ต่อไปนั้นเป็นบทพิสูจน์ทุกวันเป็นบทพิสูจน์ทุกวันที่เราทั้งสองเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิต ให้ให้เหมาะสมกับคนที่เข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจจะบอกให้กำลังใจมาแสดงมุทิตาด้วยนะไม่ได้แสดงความยินดีด้วยต้องให้เขาแสดงมุทิตาได้ตลอดการและตลอดไปได้จะดีแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราเกิดไปทะเลาะขัดแย้งกันเขาจะมุทิตากนหนูไม่ได้เขาจะกรุณาหนูทันที แล้วเมื่อหนูเกิดไปกันไม่ได้จริงๆเขาก็จะอุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปตามก่มันจะลงอีกลงบทนั้นทันทีฉะนั้นอันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าหนูทั้งสองเนี่ยจะต้องทำให้เขาได้มุติตาเราทุกครั้งเมื่อเขาคิดถึงเราและเห็นเราก็แปลว่าเราจะต้องผลขวายทำสิ่งที่ดีต่อกันให้ติดต่อและต่อเนื่องไม่ท้อถอยในการทำความดี แล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าให้เอาธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ทำไมเราต้องปฏิบัติหน้าที่ภรรยาเพราะต้องการฝุกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นภรรยาทำไมจะต้องทำหน้าที่ข้างความสามีไม่ใช่ทำเพื่อฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผลพลอยได้แต่ต้องการฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะหรือคุณธรรมของความเป็นสามีอะไรคือธรรมะเราอยู่กับเธอเราจะต้อง ฝึกตนเองให้เข้าถึงเมตตาให้ได้จริงๆฝึกตนเองให้เข้าถึงมุทิต า, มาเมื่อเธอประสบความสาเร็จแล้วก็ให้ถึงกรุณาในขณะที่จะต้องเห็นเธอประสบความทุกข์แล้วก็ต้องวางใจเป็นกลางให้เธอได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองนั้นต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะไม่ว่าสติก็เป็นธรรมะสมาธิก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เข้าถึงธรรมะถ้าทําอย่างนี้ได้ชีวิตก็จะดําเนินไปได้อย่าง อย่างรมลื่นแล้วก็จะเป็นไปด้วยดีทุกวันก็จะมีข้อฝึกตลอดไม่จบไม่สิ้นยิ่งมีข้อฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งได้มีการฝึกตนเองได้อย่างติดต่อและต่อเ น, นื่องนะให้คิดอย่างนั้นเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกฝนอย่าลืมนะว่ามันเป็นความจริงใจจริงใจต่อกันนะแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่ง ความรู้สึกฝึกมันหายไปมันจะความเป็นความจำเจถึงนะถ้าจำเจขึ้นมาเริ่มเริ่มยุ่งเลยในชีวิตนั้นต้องต้องฝึกต้องฝึกทุกวันเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตนเองทุกวันเอาล่ะในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมสุขขังสุปฏิสุ ข, ขังปฏิพุทธชตินะบาปาระกังสุปีนางปัสติ มนุษสานังปิโยโหติอมนุษย์สานังปิโยโหติเดวตารักขันตินาสกขีวาวิสังวาสตังวากรรมติตัวฐานจิตตังสมาธิยตินุขวันโหนวิปัสสีทติอาศมบุลาโหการังการติอุตตริณกปฏิวิชชันโตปรมารู ป, ปรโคโหติได้อานุภาพเป็นคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมปารียสงฆ์ขอให้เธอทั้งสองตลอดถึงญาติมิตรทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้จงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย ขอใเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายไปสตรายาพิทโรกรายอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมันเร็วไม่หลงทําการกริยาปรารถนาทราพัพย์คอยได้ทรา์ปรารถนายศคอยได้ยศปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ